ตอนที่เจ็อ็ดทวงเงินคืนโจเจี้ยนเย่ยเห็นว่านี่เป็นหนทางเดียวที่เหลืออยู่เขาจึงจําต้องบากหน้าไปหยิบยืมเงินจากคนรู้จักสําหรับคนอื่นการยืมเงินนั้นง่ายแต่คืนยากแต่สําหรับเขาการยืมเงินนั้นยากยิ่งกว่าการคืนเงินเสียอีกโจเจี้ยนเย่ยลำบากใจจนแทบอาปากไม่ออกมันช่างหน้าขายหน้านักอย่างไรเขาก็เป็นถึงผู้พันแต่กลับต้องตกอับถึงขั้นขอยืมเงินประทังชีวิตโจเจี้ยนเย่ยกัดฟันบากหน้ายืมเงินไปทั่วสุดท้ายก็ได้มาเพียงสิบหยวนเท่านั้นเงินสิบหยวนจะทําอะไรได้ อย่างมากก็แค่ซื้อฐานก้อนได้ไม่กี่ก้อนเจียนเยียไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ยืมนะแต่สถานการณ์ที่บ้านฉันนายก็รู้เงินเดือนนายแต่ละเดือนยังสูงกว่าฉันอีกถ้าขนาดนายยังไม่พอใช้พวกฉันคงไม่ต้องไปกินลมแทน้าวเหรอใช่แล้วการใช้ชีวิตนะ่ต้องรู้จักประหยัดทีทั่วเนย่ยหาว่าพวกเราพูดจาไม่เข้าหูเลยนะพี่สะายคนก่อนแต่งกับนายมาสิบกว่าปีตอนนั้นนายใช้ชีวิตยังไงแล้วตอนนี้ละนายใช้ชีวิตแบบไหน เรื่องนี้มันยังบอกอะไรไม่ได้อีกเหรอเรื่องในครอบครัวนายพวกเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งแต่ในฐานะเพื่อนฝูงพี่น้องก็หวังว่านายจะคิดให้ตกโจเจีนเ้นียถึงเงินสิบหยวนในมือด้วยความรู้สึกร้อนรุ่มราวกับมันเป็นของร้อนตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เขาต้องมาขอยืมเงินด้วยท่าทางต่ำต้อยเช่นนี้ฉันเข้าใจนายไม่เข้าใจหรอกโจจีน้นียเสียวหวาน เธอว่าไก่ที่พวกเขาเลี้ยงกับไก่ที่ขายในตลาดสินค้าเกษตรมันต่างกันตรงไหนทําไมคุณย่าต้องยอมจ่ายเงินแพงๆเพื่อซื้อไก่ของพวกเขาละ่ะหลีหวันบังเอิญได้ยินโจจี้นเยี้ยขอยืมเงินพอดีเจิ้งเซาซิงยังไม่ทันสังเกตเห็นโจจี้นเยียจึงพูดต่อไปตามประสาในมือของทั้งสองคนถือไก่มาคนละตัวเจิ้งเซาซิงเห็นหลีหวันหยุดเดินจึงมองตามสายตาเธอไปได้วยความสงสัยวินาทีต่อมาเขาก็รีบพยับมาบังข้างหน้าเธอไว้อย่างรวดเร็วพร้อมยือดอกเล็กๆขึ้นด้วยท่าทางขึงขัง ลิวานรู้อยู่แล้วว่าโจเจียนเย่ยกับหลิวเคอเคอจะไม่มีทางอยู่อย่างมีความสุขแต่ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงเรือขนาดนี้เขาตกอับถึงขั้นต้องออกมาขอยืมเงินประทังชีวิตเห็นได้ชัดว่าคงถึงทางตัปแล้วเธอรู้ดีว่าโจเจียนเย่ยเป็นคนหญิงโนนผู้ชายคนนี้ไม่มีทางก้มหัวให้ใครง่ายๆเสี่ยววานโจเจียนเย่ยอยากจะทักทายลูกสาวเขาฝืนยิ้มที่มุมปากพวกเจ้ามาทําอะไรที่นี่ไม่เกี่ยวกับท่านคุณยายให้พวกเราไปซื้อไก่ที่บ้านคุณยายหลี่กลับไปบํารุงร่างกายให้แม่ฉันเนะ เจิงเซาซิงกับหลีหวานพูดขึ้นพร้อมกันเสี่ยวหวานไม่จําเป็นต้องอธิบายกับคนพันนี้หรอกพวกเราอย่าไปคุยกับเขาเลยไปกันเถอะเจิงเซาซิงกระซิบประซาบกับหลีหวานเจตนาที่หลีหวานทําเช่นนี้ก็เพื่อจะบอกไปในให้โจเจี้ยนเย่ยรู้ว่าในเมื่อเขาไม่เห็นหัวสองแม่ลูกตอนนี้พวกเธอก็มีคนอื่นที่คอยรักคอยห่วงใยแล้วหลังจากหลีชิงผิงแต่งเข้าตระกูลโจอย่าว่าแต่จะได้กินซุปไก่บํารุงร่างกายเลยแม้แต่กระดูกไก่ก็ยังไม่เคยเห็นคนบ้านนี้ขี้เหนียวจนแทบจะเอาชีวิต อ้อดีแล้วละ่ะแม่ของเจ้าผอมบางตอนนี้ตั้งครรภก็ควรจะบำรุงให้ดีสายตาของโจเ จ, เจียนเย่ยเหลือไปเห็นไก่สี่ตัวในมือของพวกเด็กๆ ก, การซื้อไก่มาบำรุงร่างกายทีเดียวมากมายขนาดนี้แสดงให้เห็นว่าตอนนี้หลีชิงผิงและลูกสาวมีความเป็นอยู่ที่ดีไม่น้อยตอนที่แม่ท้องฉันน่ะไม่มีอะไรจะกินจนทําให้ฉันเกิดมาตัวเล็กนิดเดียวตอนนี้พอเทียบ ก, กับคนรุ่นเดียวกันฉันเลยเตี้ย ก, กว่าเขาหลีหวนันพูดจาประชดประชัน น้องชายในท้องแม่ก็ต้องเลี้ยงดูให้ดีจะให้เป็นเหมือนพี่สาวอย่างฉันไม่ได้สีหน้าของโจเจี้ยนเย่ยเปลี่ยนไปทันทีเขาไม่ได้พูดอะไรต่อพวกเราเรียบเรับงกันเถอคุณย่ากำลังรีบตุนซุปไก่อยู่เจ้งเศร้าสิงเร่งเร้าหลีหว่านจึงก้าวเท้าเดินตามไปโจเจี้ยนเยี่ยเองก็ไม่รู้ว่าเขากำลังหงุดหงิดเรื่องอะไรหลายปีมานี้เขาใช้ชีวิตเหมือนคนโง่ทำไมเขาถึงได้เชื่อคำพูดของแม่เขานักนะ หากเขารู้เร็วกว่านี้ว่าแม่ทําไม้ดีกับหลีชิงผิงและลูกสาวเขาไม่มีทางนิ่งดูได้แน่แต่น่าเสียดายที่ตอนนี้จะพูดอะไรก็สายไปเสียแล้วเจียนยี่ยงไงเด็กคนนั้นก็เป็นลูกสาวแท้ๆของนายนะดูสิลูกสาวแท้ๆของนายยังไม่มองนายด้วยหางตาเลยนายไปทําเรื่องอะไรไว้กันแน่ลูกสาวบ้านฉันน่ะติดฉันจะตายทุกครั้งที่ฉันต้องไปทาภารกิจเธอก็ไม่อยากให้ฉันไปเด็กนาใสซื่อที่สุดขอแค่คุณดีกับเขาเขาก็จะดีกับคุณแน่นอน ทั้งสองคนผัดกันพูดคนละประโยคโจจี้นีเยี่ยไม่อยากฟังอีกต่อไปเงินนี่ฉันจะรีบคืนให้พวกนายโดยเร็วขอบใจมากเฮ <Hey, S 2> ยังจะมาทำเป็นไม่อยากฟังอีไม่อยากฟังก็ช่างเถอะถ้าเก่งนักก็อย่ามาขอยืมเงินพวกเราสิเอาเถอะเถอะแค่ไม่กี่หยวนเองไม่เท่าไรหรอกเงินไม่กี่หยวนนี่ฉันก็เจียดออกมานะอุตส่ารปากลูกสาวไว้ว่าจะซื้อกระโปรงตัวใหม่ให้แท้แท โจเจียนเย่ได้ยินทุกคำพูดอย่างชัดเจนแววตาของเขาหม่นลงไม่ได้การเขาต้องรีบหาเงินให้ได้จะปล่อยให้ชีวิตยากจนข้นแค้นแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วทางด้านหลิวเคอ์เคอ์ก็กำลังกลุ่มใจเรื่องเงินอยู่เช่นกันเธอที่กำลังตั้งคันรู้สึกไม่สบายตัวอยู่แล้วแต่เรื่องงานก็ไม่กล้าละเลยแม้แต่น้อยเเคอเคอฉันว่าเธออย่าหักโหมนักเลย ตอนนี้เธอท้องอยู่นะควรจะพักผ่อนอยู่ที่บ้านได้ดีอย่าหาว่าฉันไม่เตือนเลยนะผู้หญิงเราจะมีสถานะสูงที่สุดในบ้านก็ตอนแต่งงานกับตอนท้องนี่แหละเธอต้องใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์รู้ไหมอย่าพูดถึงเลยนะ่ารำคาญจะตายเธอคิดว่าฉันไม่อยากพักอยู่ที่บ้านเหรอที่บ้านนันหนาวจนฉันแทบจะแข็งตายอยู่แล้วสู้มาอยู่ที่ทำงานยิ่งดีเสียกว่าหลิวเคอเคอบนอุกตอนนี้ฉันรู้ซึ้งแล้วแหละว่าการแต่งงานใช้ชีวิตคู่มันลำบากแค่ไหน ไม่ได้เป็นคนคุมบ้านเองก็ไม่รู้หรอกว่าข้าวสารฟืนไฟมันแพงขนาดไหนไม่จริงนาะสามีเธอเป็นถึงผู้พันเงินเดือนแต่ละเดือนก็ไม่ใช่น้อยๆพอรวมกับเงินเดือนของเธอแล้วก็ไม่น่าจะน้อยนถึงขนาดไม่พอใช้เลยเหรอก่อนแต่งงานหลิวเคอเคอร์อก็คิดแบบนั้นแต่หลังแต่งงานเธอกลับพบว่าเงินไม่พอใช้เลยจริงๆมันคือความจริงที่โหดร้ายลําบากมากหลิวเคอเคอบน่นพึมพำกับเพื่อนร่วม ง, งานว่ามีที่ต้องใช้เงินมากมายเหลือเกินแถมพ่อสามีแม่สามีไม่ช่วยแล้วยังจะมาจ้องเงินเดือนอันอน้อยนิดของสามีเธออีก บนจนปากเปียกปากแฉะไปหมดอย่างนั้นเหรอหญิงคนนั้นนึกอะไรขึ้นมาได้จึงลดเสียงต่ําลงฉันจําได้ว่าเธอเคยบอกว่าตอนที่สามีทธออย่กับเมียเก่านะดูเหมือนเขาจะให้เงินเมียเก่าไปไม่น้อยเลยไม่ใช่เหรอเธอโง่หรือเปล่าทำไมไม่ไปทวงเงินนั่นคืนมาละ่ะแบบนี้ก็แก้ปัญหาที่พวกเธอจะอยู่ได้แล้วมีวิธีดีๆแบบนี้อยู่เห็นเห็นกลับไม่รู้จักใช้ไม่ได้หรอกหลิวเคอเคอรขมวดคิ้ว ม, มุน่นฉันเคยพูดแล้วแต่เขาไม่ยอม เขาบอกว่าเขารู้สึกผิดต่อสองแม่ลูกนั่นเงินนั่นถือเป็นค่าชดเชยให้พวกเธอฉันว่าสามีเธอดีเกินไปมากกว่าชดเชยอะไรกันคนสองคนหยากรแล้วก็คือศัตรูจะให้เงินหรือไม่ให้ก็มีค่าเท่ากันเขาไม่ยอมไปทวงเงินคืนอาจจะเป็นเพราะกลัวเสียหน้าก็ได้ทําไมเธอไม่ไปทวงเองละ่ะหลิวเคอเคอไม่เคยคิดถึงจุดนี้มาก่อนเธอควรจะไปทวงคืนมาเองอย่างนั้นเหรอต่อให้ทวงคืนมาไม่ได้ทั้งหมดได้คืนมาสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี ริ้วเคยเคยดีใจจนตกหน้าขาตัวเองฉาดนั่นสิทำไมฉันถึงคิดไม่ได้นะขอแค่ทวงเงินนั่นคืนมาได้ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ทั้งหมดก็จะคลี่คลายลง